แต่หากปฏิบัติเพื่อสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ชื่อว่าเป็นผู้กุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสรุปคือสตินั่นเองเปรียบประดุษหลังคาทำหน้าที่ป้องกันกิเลสอันเปรียบเสมือนสายฝนพร้อมจะหลังรถจิตอันเปรียบเหมือนผู้อาศัยในบ้านเพียงไม่ทำความสำคัญกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดทางกาม